เกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำไมสิ nee ่งที่อยากเขาก็หลอกสิ่งที่ยอกเขาก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใหญ่ เลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกามเดินตามขันสามเรื่อยไปเสร็จจิต16ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะสู่สันติ และวันนี้อาตมาภาพจะได้นำธรรมบัญญายมานำเสนอสู่ท่านสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอนำเสนอธรรมบัญญายของพระเดชประคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์เจ้าอาวาสวาสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะใหญ่ผลตะวันออกและที่สาคัญพระเดชประคุณท่าน เป็นองค์ประธานสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งดูแลเกี่ยวกับโครงงานของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอยู่ในปัจจุบันนี้ธรรมบรรยายที่พระเดชพระคุณท่านบรรยายให้แก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าไปศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในโครงการอบรมพระกรรมฐานประจําปีซึ่งพระเดชพระคุณท่านได้มีโอกาส แวะไปเยี่ยมเยียนแด่ท่านผู้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมก็เลยได้บรรยายธรรมะบรรยายเรื่องนี้ถวายความรู้แด่พระสงฆ์ที่มาจากทั่วประเทศและให้สาธุชนญาติโยมได้รับฟังไปพร้อมๆกันธรรมะบรรยายเรื่องนี้ชื่อว่าพระธรรมวินัยจึงขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านมาตั้งใจรับฟังธรรมะบรรยายจากประเดชพระคุณ สมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โดยพร้อมกันณบัดนี้เป็นขั้นที่สามในปีนั้นเองแสดงว่าพระพุทธศาสนานี่ไปเร็วมากปีเดียวนั่นแหละไม่ใช่นานในปีนั้นแหละพระพุทธเจา้าก็ได้ ทรงพิจารณาเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมนทนว่าการของพระศาสนาในเบื้องหน้านั้นทุกอย่างต้องถือสงเป็นใหญ่จะถือเป็นบุคคลเป็นใหญ่ไม่ได้แล้วนี่แหละที่นักการเมืองเขาไปอ้างกันนะว่า พระพุทธศาสนาเป็นประชาธิปไตยอ่ะก็เอาไปอ้างกันตรงนี้แหละเขาไปอ้างข้างเยอะดีแล้วเขาไปอ้างช่วยให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสำคัญประชาธิปไตยแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่ประชาธิปไตยง่ายๆอย่างนั้นหรอกนั่นนั่นนั่นก็เรียกกับประชาธิปไตยง่ายๆง่ายๆมากที่ว่าการเมืองเป็นประชาธิปไตย พระพุทธเจ้าทรงสอนประชาธิปไตยต้องเข้าใจนะโยมมาฝุกสมาธิแล้วต้องเข้าใจนะบอกใช่ประชาธิปไตยแต่ว่าอย่างง่ายที่สุดง่ายที่สุดไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างครบถ้วนของพระพุทธเจ้ายังไม่ถึงได้เพียงแต่ส่วนปลีกๆง่ายๆไม่ใช่อย่างลึกซึ้งหรอกเขาชอบไปอ้างกันนะเขาชอบไปอ้าง แต่ว่าเราไม่ต้องว่าอะไรเข า, าดีแล้วเขาไป อ, อ้างแต่ต้องทราบโดยว่านั่นเป็นอย่างง่ายที่สุดอะเมื่อทรงอนุญาตให้ประสงค์เป็นใหญ่ในการต่างๆกทรงบัญญัติวินยัยวินัยเรื่องแรกก็คือเรื่องให้มีผู้ปกครองผู้ปกครองทีแรกนั้นน่ทรงเรียกว่าพระอุปชาพระอุปชา พระวชาที่แรกนหมายถึงผู้ปกครองผู้ปกครองนั่นจะต้องคอยสอดส่องดูแลพระที่บวชเนนที่บวชเมื่อบวชแล้วต้องคอยดูแลเอาใจใส่และพระเนนที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีผู้ปกครอง ที่เราเรียกกันว่าอาจารย์ผู้ปกครองคําว่าอาจารย์ผู้ปกครองนั้นในทางวินัยของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระบัญชาแต่เดิมเรื่องยังยาวไปอีกแต่ว่าอจะมาขอพูดในเห็นข้าวเท่านี้ก่อนว่าว่าวินัยเกิดช่วงนี้เกิดช่วงนี้แหละทรงบัญญัติแล้วว่า ขราวประชาต้องมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้คอยควบคุมดูแลพระเนรก็จะต้องคอยทำตามมีผู้ปกครองดูแลถ้าใครไม่ดูแลใครไม่ทำตามมีความผิดาตามพระวินยัยก็ทรงกําหนดเรื่อยไปเรื่อยไปวินัยจึงเกิดขึ้นงานพระพุทธเจ้าประกาศคาสอนของพระองค์ทีแรกวินัยยังไม่มี ยังทรงเรียบคําสอนของพระพุทธองค์ว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ต่อมาเมื่อมีวินัยก็มีคําว่าธรรมวินัยเกิดขึ้นแต่วินัยก็ไม่ใช่ว่าหมดทีเดียวนะโยมไม่ใช่วัดทีเดียวสองรอยี่สิบเจ็ดครบมาอย่างนั้นนานทรงบัญญัติจนกระทั่งถึงปีที่พระองค์ จะปรินิพพานก็ยังทรงบัญญัติวินัยอยู่แต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแล้วนิพพานแล้วปิดเลยครบท้วนทุกประการแล้วไม่ต้องบัญญัติเพิ่มเติมแล้วพอสมบูรณ์ทุกอย่างวินัยยบิดกเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว คำว่าเดี๋ยวจะฟังเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะคำว่าวินนยบิดกเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปดินิพพานแล้วสามเดือนโดยอาศัยวิในทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนั่นแหละมารวมเรียกว่าวินนยบิดกวิยัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัตินั้น โดยมากเราเพ่งที่วินัยข้อใหญ่นี่จะไม่เป็นประวัติแล้วนะจะมาเข้าเรื่องเรื่องวินัยโดยตรงแนละ้วโดยมากเราเพ่งที่วินัยข้อใหญ่วินัยข้อใหญ่ก็ประชิกสี่สังคเทศสิบสามนี่ข้อใหญ่แต่ว่าพระที่จะทำข้อบกพร่องในสิกขาบทใหญ่นี้นะ น้อยแม่จะมีลงข่าวนักสืบพิมว่าพระมีการฆ่ากันตายอะไรกันตายนี่โยมสังเกต ด, ดูเถอว่ากี่ปีนะ่ะถึงจะได้ยินสักทีนานหรือพระไปฆ่าคนเนี่ยนานนานนา น, น, านถึงจะได้ยินสักทีหนึ่งเดี๋ยวนี้ยังได้ยินอาจจะว่าทีขึ้นมาบ้างแต่ก็นาน ถ้าเทียบกับทางโยมและก็ยิงนานใหญ่เลยเชอเพราะว่าทางโยมน่นประจำวันเนี่ยคนมากกว่าแล้วคนมากกว่ากันแล้วก็มีเรื่องที่จะเป็นเหตุให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าพระภิกษุที่จะล่วงละเมิดสิขาบทใหญ่มีน้อยพระพุทธเจ้านั้นทรงเห็น สิกขาบทจะใหญ่ก็ตามจะเล็กก็ตามว่าเป็นโทษเป็นภัยทั้งนั้นอย่างที่พระท่านสวดว่าพระยทศสาวีเห็นว่าเป็นภัยเป็นโทษแม้สิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายใช่ไหมท่านทุกท่านที สิกขาบทน้อยใหญ่ก็ถือว่าเป็นภัยเป็นโทษทางนั้นที่สถาบันของเราเนี่ยเราเพ่งเล็งทั้งสิกขาบทใหญ่และสิกขาบทน้อยแต่สิกขาบทใหญ่เราไม่ค่อยห่วงเรามาห่วงสิกขาบทเล็กน้อยสิกขาบทเล็กน้อยนั้นมีโทษน้อย แต่ว่าถ้าทำได้งามมากงามมากถ้าจะเทียบนโยมนะเหมือนบมูนข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เราจะมูนมูนพับมาวางแล้วใช้ได้หรือข้าวเหนียวนึ่งแล้วมาวางเราจะทำข้าวเหนียวมูนใช้ได้แล้วคนก็ทานได้แล้วเป็นข้าวเหนียวแล้ว นเป็นอาหารก็ได้เป็นของหวานก็ได้เป็นของข้าวก็ได้แต่ต้องมูนมูนให้มันขึ้นมันขึ้นข้าวเหนียวนึ่งแล้วเหมือนบสิ็กาบทใหญ่เอามามูนใช้น้ำกะทิมูนขึ้นเหมือนสิคขาบทน้อยมาแต่ง คนเห็นข้าวเหนียวเออเข้าวเหนียวเนีย่ยยังไม่ทันทานเลยแม้มันนะหน้าทานมันหน้าทานนั่นก็ยังไม่ไม่พอต้องมีวิธีอีกทำยังไงเขาต้องมีมันขึ้นไปอีกคำานึงว่าแม้มันย่องเลยเชียวย่องไม่ทราบยังไงแต่เขาพูดกันยังไงนี่แม้ข้าวเหนียวนี่มันย่องเั ง, งไม่ใช่มันเฉยเยมันย่องอาตจจมาก็ไม่ทราบว่ามันยังไง แต่แสดงว่าไม่ใช่มันธรรมดาเลยไปอีกธรรมยองนะ่ะคือดีเหลือเกินข้าวเหนียวนั่นนะ่ะมูลดีเหลือเกินมันยองเนีย่ยนี่เปรียบเรื่องอาหารเปรียบกับเหมือนกับอาหารเหมือนกันข้าวเหนียวข้อปฏิบัติของพระเนนที่เป็นสิกขาบทเล็กน้อยอย่างนั้นนะเล็กน้อยแตจริงแต่ว่างามงาม งามเหลือเกิดมีตัวอย่างแล้วก็ได้พูดมาทุกๆปีนะท่านพระอัสสชิท่านเดินออกไปบินทบาทในเมืองราชศึกเดินไปถ้าจะพูดอีกทีก็เดินแบบนักกรรมฐานนะ่ะนักกรรมฐาน เดินไปบินาบาบไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปทอดสายตาพอที่จะเห็นว่าพอเหมาะพอดีไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปไม่เป็นที่หนักใจของคนอื่นคนหนุ่มๆอย่างภาษารีบุตรเห็นเข้าสสดุดตาแล้วเอนักบวชอย่างนี้ไม่เคยเห็น เคยเห็นมามากในเมืองราชเคือมีบ่อยเพราะว่าในเมืองราชเครือนี่เป็นที่รวมของพวกฤอษีทีไพรยเยอะไม่เคยเห็นอย่างนี้เอทำไมพระทำไมนักบวชคนนี้นะ่ะองค์นี้นะ่ะงามเหลือเกินท่านเดินก็แลดูงามงาม จะย่างจะอะไรไปเนี่ยและดูอิริยาบถนี่ไม่เหมือนกับนักบวชอื่นๆเอแปลกตรงนี้นี่โยมอาทิกกัลยาณังไม่ใช่ใจนะตรงนี้โยมนะไม่ใช่ใจใจอยู่ข้างในใจเป็นกรรมฐานนะใครมองไม่เห็นนะใจที่เป็นสมาธิใครมองไม่เห็นใจปฏิบัติได้ ธรรมกายใครมองไม่เห็นนะไม่สามารถที่จะไปรู้ได้แต่ท่าน ง, งามเนี่ยงามที่ไหนอาทิกัลยาณังข้างต้นนอกๆนี่งามงามเพราะงั้นพระสารีบุตรตอนที่เป็นคนหนุ่มจึงเดินต้องเดินตามไปดูที่เดินไปดูที่ว่าท่านจะงามสักขนาดไหน พอนั่งเพราะท่านบินบาบเสร็จแล้วท่านไปหาที่คนไม้นั่งฉันก็เข้าไปใกล้ไปนั่งคอยหยิบโน่นหยิบนี่ถวายท่านบ้างอยากจะดูว่างามแค่ไหนและอยากจะดูว่าไม่งามแค่ไหนด้วยจะดูที่ว่ามีอะไรบ้างที่มันไม่งามจับไม่ได้เลยพอดีพอดียังไม่พูดด้วย ไม่พูดนะไม่ได้ว่าเป็นยังไงนะไม่พูดเฉยยิ้มยิ้มเฉยๆแต่นั้นแหละยังไม่พูดอยากจะรู้ว่าถ้าท่านพูดเนี่ยจะงามไหมจึงได้ถามว่าท่านภาษาด้บุตรถามอุปติสสะบริพาชกถามว่าท่านเป็นนักบวชนะใช่เป็นนักบวชเท่านั้นแหละ เอเป็นนักบวชแน่แหละนักบวกกับใครทุกคนก็ตอบได้บวชกับพุทธจ้าเอพระพุทธเจ้าคือใครท่านก็บอกอยู่ที่ไหนอยู่โน้นบอกให้ทราบอยากจะรู้啊 พระพุทธเจ้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านสอนอย่างไรนะท่านจึงดีเหลือเกินงดงามเหลือเกินแจม่มใสเหลือเกินท่านสอนอยังไงเทศสั้นๆเขียนหนังสือจะนับตัวมีกี่ตัวเยธรร ม, มาเหตุปภะวาเตสังเหตุตุงตถาคโต ถามท่านอาจารย์ชยมังคโลท่านอาจารย์เสริมชัยนี่อธิบายได้อัตมาไม่ต้องแกล้งแล้วเท่านี้แหละพูดสั้นๆเท่านี้เยธรรมมาเอตุปปภาวาเจสังเอตุงตสาสโตแต่ว่าท่านเข้าใจกันนะเพอาพูดแล้วเข้าใจและท่านบอกว่าท่านเพิ่งบวชใหม่สอนได้เท่านี้แหละ พระสารีบุตรบอกพอแล้วเท่านี้แหละพอแล้วพอเข้าใจแล้วเรื่องยาวไปยังไม่ต้องพูดถ้าพูดเรื่องนั้นนยาวก็ไม่ได้พูดเรื่องวินัยอาตมาต้องการเน้นเรื่องวินัยท่านพระสารีบุตรมีความเลื่อมใสเต็มที่เลยยอมมอบตัวเป็นสิทธ นี่แหละท่านทั้งหลายที่ได้มีสิทธิ์คนสำคัญเกิดขึ้นเป็นอักษรภาษาวบเบื้องขวาคือภาษาดิบุตรนั่นเพราะอะไรเพราะความงามในเบื้องต้นของภาษาศาสนานั่นเองคนตาคมมองเห็นถ้าคนตาไม่คมมองไม่เห็นระษาริบุตรท่านตาคม สั่งสมปัญญาบา ร, รมีสูงแรงกล้ามาข้ามพบข้ามชาติถึงชาติสุดท้ายแล้วพอเห็นพัพรูใช่นี่แปลกไม่เหมือนที่อื่นแล้วไม่เหมือนของเราโยมนะของเรา <c oughs> ที่ว่ามาเมื่อตะกี้เนะี่ยไปเห็น อ, อินเดีย นั่งอยู่ที่รอสิเกตแมววิเศษกับเมืองไทยเหลือเกินแล้วตาไม่เคยจะแหลมตาไม่เคยจะแหลมธรรมกายมีสอนอยู่ตังเยอะแยะไม่มาไปอินเดียโนนอนุดสารขึ้นเรื่องบินไปถึงอินเดียนับถือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตาไม่แหลมไม่ได้ใช้ปัญญาบา ร, รมีให้ ลึกซึ้งอาทิตกัลยาณนะคือความงามในเบื้องต้นเกิดขึ้นเพราะอะไรโยมก็ตอบได้พระก็ตอบได้เพราะศีลถ้าจะพูดอีกคำหนึ่งก็เพราะวินยัยเพราะวินัยนั่นเองทำให้เกิดความงามจุดนี้ จุดนี้แหละสำคัญจุดนี้แหละเป็นจุดสำคัญพระพุทธศาสนาของเราจึงชนะบรรดาลัทธิาศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในเวลานั้นในประเทศอินเดียในสมัยพระพุทธเจ้านะเล่าได้ว่าโดยสิ้นเชิงเพราะเบื้องต้นนี่ก็งดงามนักหนาแล้ว ถ้าไปท้ำกลางที่สุดจะทักแค่ไหนและทั้งสามประการนี้เกี่ยวเนื่องโยงถึงกันศีษเป็นบาทฐานแหน่งสมาธิสมาธิเป็นบารฐานของปัญญาคือเป็นฐานรองรับกันไปเป็นขั้นเป็นขั้นาะงานั้นพระวิ น, นัยจนิงเป็นพื้นเบื้องตน แม่วิในเล็กๆน้อยๆต่างๆก็มีความสำคัญจึงควรที่จะได้ศึกษาให้ละเอียดลงไปว่าวิในเล็กๆน้อยๆน่นะสำคัญยังไงข้อนี้ที่จริงเป็นเรื่องของพระแต่ว่าอาจจะได้ประโยชน์แกโยมบ้างเพราะว่าโยมของเรานี่ะอ่า ทั่วทั่วไปนะโยมนางธรรมารที่นี่แล้วรับรองได้แหละเป็นนั้นว่าปลอดภัยละโยมทั่วทั่วไปน่ะไปเห็นพระไม่อาบน้าเข้าไปอีกแล้วองค์นี้พรรษาหนึ่งไม่ได้อาบน้าเลยนะเก่งมากอืไปเก่งที่ไม่อาบน้ำสามเดือนหลวงพ่อวัดบางน้ำบอกไม่ว่าไม่อาบน้ำสามเดือนเก่งได้ธรรมกาย มีไหมที่หนังสือก็ดีที่อะไรก็ดีอาจารย์เสริมชัยเขียนไว้มีไหมว่าไม่อาบน้ำสามเดือนแล้เก่งได้ข ร, รัมกายคนนี้ไม่มีแต่โยมบ้านเราในอย่างนั้นทั้ง น, นั้นนะส่วนใหญ่นี่ท่านเก่งนะ่อยู่ป่าช้าไม่พบกับคนเลยผมเนี่ยสามเดือนแล้วท่านยังไม่ปรงเลยยาวมาเกือบถึงไหลแล้ว นับถือกันเหลือเกินเมื่อสองทงวันนี้ลงข่าวหนังสือพิมพ์อะไรออกมาจากถ้าที่ไหนองค์หนึ่งถ้าเชียงดาวด้วยไรนวดคราวเต็มเลยผมก็ยาวเป็นพระสำคัญท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมสุสันติที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมบัญญายของพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์กรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพและที่สำคัญพระเดชพระคุณท่านเป็นองค์ประธานสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งมีสถานที่หรือว่าเนื้อที่ตั้งอยู่ที่อำเภอดาเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีอยู่ริมถนนสายบางแพร่ดเนินสะดวก ต่อมาสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายแห่งนี้ได้ยกสถานะขึ้นเป็นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในเนื้อที่ของสถาบันกว่าสองไร่200้อยไร่กว่าสำหรับเป็นที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นอุทยานการศึกษาและมีโครงการให้การศึกษาอบรมพระกรรมฐานประจําปีปีละสองรุ่น คือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสี่เดือนพฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสี่เดือนธันวาคมท่านสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติสามารถที่จะเข้าไปขอเข้ารับการอบรมประกรรมฐานประจําปีได้ตามวันเวลาดังกล่าวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแต่ประการใดสําหรับวันนี้ รายการธรรมสู่สันติก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ก่อนจากกันอัตมาภาพข อ, อนำเอาพุทธศาสนสุภาษิต ท, ที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าหน้าที่หนึ่งร้อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดความว่าอมะตันทโทจะโสโหติโยธรรมโยธรรมมนุษาสติ แปลความว่าผู้ใดสั่งสอนธรรมผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตายวันนี้รายการธรรมส่สันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนขอท่านผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังธรรมบัรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในพระสัตธรรมจงมังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟัง ทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร